บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวมาถึงเรื่องของขันทั้งห้าประการที่เรียกว่าขันตประภะคือบดที่ว่าด้วยขันการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนในเรื่องของขันท่านั้น จะมีวิธีการสอนโดยนัยพิสดารแตกต่างกันออกไปหรืรจะกล่าวโดยสรุปว่าโลกทั้งปวงนั้นสรุปรวมที่ขันทั้งห้าประการหรือธรรมะทั้งปวงสรุปที่ขันทั้งห้าประการก็ไม่ผิดท่นนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่า ในส่วนของรูปประขันนั้นก็คือส่วนที่เราสรุปรวมเรียกว่ากายเป็นองค์ประกอบของดินาน้ำลมไฟอากาศส่วนที่เรียกวเวทนาสัญญาและวิญญาณเป็นเรื่องของจิตเป็นควายกองนามธรรมาในส่วนสังขารเป็นกุศลอกุศลอัิญากฤิ พอถึงนิพพานก็คือปราศจากสังขารที่เราเรียกวิวสังขารตังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายจะเห็นว่าการศรษาธรรมการปฏิบัติธรรมเราก็ทำในเรื่องเดียวกันที่ท่านสรุปเป็นปรมัติว่ารูปนามหรือนามรูปและแต่จะเรียกบางทีเรียกว่านามรูป ที่เรียกว่ารูปนามก็ได้แก่ขันธ์ห้าประการหรือว่าสัพพสิง่งทั้งปวงในโลกนี้ทั้งที่เป็นรูปประทับและทั้งที่เป็นนามประทับได้กล่าวมาถึงเรื่องของสัญญาที่แปลว่าความจำแต่เฉพาะในช่วงนี้ทรงสอนให้มองสามช่วงคือสามจังหวะด้วกัน ช่วงแรกก็คือสภาวะของขันแต่ละอย่างคำว่าสัญญานั้นโดยสภาวะก็ได้แก่ความจำถ้่จะถามว่าจำอะไรเราก็บอกว่าจำสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผลิภัคือเย็นรอ้อนแข็งยืดเหนียวแล้วก็จำอารมณ์ สิ่งที่เราจำมก็มีอยู่หกอย่างเพราะโลกเราเป็นโลกของสัมผัสไม่มีความจำประการที่เจมาไปนั่มาก็หมุนวนกันอยู่ในเรื่องทั้งหประการเหล่านี้แต่มีความหลากหลายมีความสลับซับซ้อนเพราะว่าเป็นอาการของจิตมันไม่กินเนื้อที่ ือจะจำเข้าไปเท่าไรก็ได้อย่างคติไทยที่สอนให้ลูกหลานได้คิดว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามหมายถึงการศึกษาเรียนรู้ที่กลายเป็นความจำความรู้มาเกิดจากความจำก่อนเรียนสเท่าไรก็ได้เราจะอ่านหนังสือ ห, หมดทั้งโลกสมมติว่าอ่านได้จริงๆ มันก็เท่านั้นมันก็กลายเป็นความจารูปถ้าได้ยินก็จาเสียงถ้าได้กลิ่นก็จำกลิ่นมันถ้าได้รส ถ, ถ้าได้ลิ้มได้ลิ้นก็จำรสมันถ้าได้ถูกต้องโดยกายก็จำสิ่งที่เป็ น, นร้อนอแข็งยืดเตียวที่เราเรียวกว่าผลภัพฑะ แต่บดีเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกคือรูปเสียงกลิ่นรสเป็นสิ่งที่เราพูดเป็นภาษาไทยได้เราเข้าใจกันได้แต่พระโพธิพะมันไม่ยอมเกิดเป็นภาษาไทยคือพูดกันไม่เข้าใจในปัจจุบันจึงใช้คำอยู่สองคำใช้สัมผัสบ้าง ใช้คาแปลได้เลยว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งยืดเหนียวต่างๆที่เราถูกต้องในกายแล้วก็ทํามารมณ์คือสิ่งที่เก็บไว้และเกิดขึ้นภายในใจเพืสังเกตว่าลักษณะของธรรมารมณ์มันก็คือสิ่งที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสปุถุภะหรือเย็นร้อนอ่อนแข็งนั่นเองแต่เราเก็บไว้ภายในใจเราจําไว้ มันเป็นภาระหน้าที่ของจิตซึ่งงานหลักของจิตนั้นก็มีอยู่สีอย่างได้แก่การรับอารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสซึ่งเราเรียกว่าปิญญาณแล้วก็จําหรือเก็บอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้เราเรียกเขาว่าสัญญาแล้วกลับไปเก็บไปแล้วก็นามาคิด จะคิดลึกหรือคิดตื้นคิดมากหรือคิดน้อยยังไงก็ตามเราเรียกว่าจินตนาก็คือความคิดถึงที่บางทีจําแนกเป็นกลุ่มเป็นวิตกเป็นสังกปะเป็นอะไรต่างๆก็ที่จริงเราเอาของเก่ามาคิดงานของจิตในช่วงนี้จึงดูเหมือนกษัตริย์ที่เคี้ยวเอื้องเปนวัวเคี้ยวเอื้องควายเคี้ยวเอื้อง คือกเราของเก่าเก็บมาเคี่ยวก็เคี้ยวจะได้เรื่อยๆคนเราจึงคิดอยู่ได้เรื่อยๆแต่ความคิดนั้นมีลักษณะเหมือนสัตว์เคี้ยวเอื้องคือไม่ได้เอาของใหม่มาแต่ของเก่ามาคิดเพราะงั้นธรรมอารมณ์บางครั้งท่านจึงเรียกว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากใจ ซึ่งหมายความว่าอารมณ์นั้นมันมีอยู่แล้วเราก็นำมาเหนียวนึกนำมาตรุกนึกบางทีเราพูดเฉพาะเกิดคือธรรมารมไปว่าสิ่งที่เกิดที่ใจที่จริงเป็นอาการไหลของอารมณ์คือมันผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเปรูปเสียงกลิ่นรสปรภาทภาดังกล่าว แล้วก็ไหลมารวมไวที่จิตท่านอุป ม, มาเป็นรูปธรรมให้เราเห็นว่ามือมือน้อาฝนตกบนที่สูงคือตกตรงไหนก็ได้เสร็ด้วันไหลลงสู่ที่ต่ำมารวมไวอยู่ในที่ต่ำมาขังอยู่ในที่ต่ำแล้วก็สะสมหมักห ม, มมอยู่ในที่นั้น พว่าตอนที่น้ําไหลผ่านมาเนี่ยมันชะล้างเอาอะไรมาด้วยแล้วก็มามาสะสมมาหมักหมมอยู่ที่ในแองนั้นคือในสะในบึงในบ่อเหล่านั้นสิ่งที่เป็นรูปก็ดีเป็นเสียงก็ดีเป็นกลิ่นก็ดีเป็นรสก็ดีเป็นผลิตภัณฑ์ก็ดีที่กลายมาเป็นธรรมมาลงผู้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมจะสังเกตได้ว่ามันมีสารพัดมีหลากหลาย ดีบ้างไม่ดีบ้า ง, งกลางบ้างแต่ในความดีไม่ดีกลางๆนั้นก็มีความหลากหลายมีความสลับซับซ้อนจนเมื่อเรานำมาเก็บสะสมไว้บ่อยๆคิดได้บ่อยๆทำให้สามารถจำแนกความแตกต่างของเสียงอะไรต่างๆได้ของกลิ่นอะไรต่างๆได้ของรสอะไรต่างๆได้ แล้วมันเกิดมาจากความจาที่สลับซับซ้อนบางครั้งแม้ผิดกันนิดเดียวก็สามารถแยกได้เราใช้ปัจจุบันที่เราใช้คำว่าประสบการณ์ซึ่งหมายความว่ามีเรียนรู้มาทางประสาทสัมผัสมากแต่มีความสลับซับซ้อนแม้ในเรื่องเดียวกันแต่มันก็สลับซับซ้อนนักเกินจนสามารถจาแนกแบ่งแยก ในรายละเอียดต่างๆได้ว่าอะไรเป็นอะไรความแตกต่างกันในจุดใดจุดายเป็นผู้ชํานาญในด้นต่างๆมันก็เกิดมาจากความจำํำท่านใครที่สามารถจําได้มากจําได้สลับซับซ้อนแต่ว่าต้องแยกได้คือ ค, อคนบางคนนั้นก็อาจจะจําอะไรได้มากๆแล้วมันปนกันมั่วไปหมด เวลาเกิดแยกแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไรค้าๆก็บคนบางคนเก่งภาษาหลายๆภาษาโจกรจิงจะพูดไปรู้ดึงภาษาไหนจะยมาพูดดีมันึกออกพร้อมๆกันหลายๆภาษานั้นแสดงว่าตัวความจำนั้นไม่สามารถจำแนกได้ไอ้ประสิทธิภาพในการใช้สอยก็มีไม่มากพอ นั้นสัญญาความจำในแง่ของความเป็นขันมันก็เป็นประสบการณ์ที่ผ่านทางทางประสาทสัมผัสคือผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งที่เราจำเมื่อกลายเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งแลก็เป็นอารมณ์มันก็มีอยู่หกประการนั้นนี่ก็คือสภาวะของเขา ปณะต่อไปที่ท่านสอนให้ศึกษาก็คือว่าตรสัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอันนี้ก็ที่จริงก็เป็นกระบวนการทางประสาระิปรปะจจาวันให้ลองสังเกตว่าธรรมะปฏิบัติทั้งหมดที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องชีวิตเพียงแต่ ว, ว่าใครไม่เคยคิดไม่เคยรู้ว่านั้นคือธรรมะ เป็นกระบวนการเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติธรรมดาของของสิ่งที่ทำให้พระพุทธเจ้าตัสรูมังก็ไม่เอื่นไปจากสิ่งที่เป็นธรรมชาติธรรมดาซึ่งก็ประสบพบเห็นกันอยู่ในที่ทั่วไปกระบวนการทางสัญญามันก็มีลักษณะอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเราไม่ได้สังเกตไม่ได้กำหนดดู จะยึดถือเอาสาระประโยชน์จากเขาสัญญาเป็นกระบวนการทางจิตที่เกิดขึ้นมาจากประสาทสัมผัสคือตาเห็นรูปโผล่ฟังเสียงจ ม, มูกดมกลิ่นลิ้นิมรสกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งใจตรึกตรึกถึงอารมณ์มันก็เกิดเป็นอาการอย่างหนึ่งขึ้นมาที่เราเรียกวิญญาณ แต่แก่ความรู้ทางตารู้รูปทางตารู้เสียงทางหูรู้กลิ่นทางจมกูกรู้รสทางลิ้นรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งทางกายรู้อารมณ์ทางใจจากอรยตนะภายในภายนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผลภาธมารมณ์นี้เองมากลายเป็นวิญญาณธรรมะสมประการนี้ต้องมีครบบ่งทั้งสามประการ จึงจะเป็นผัสสะคือการกระทบตอนั้นมีรูปเป็นนันมากเสียงเป็นนันมากเกริยนเป็นมากรถเป็นนันมากโภตาภะเป็นนันมากธรรมารมเป็นนันมากที่ไม่มีผัสสะคือเราไม่กระทบเราไม่รู้จนถึงกับบางคนตั้งปัญหาข้อสงสัยเมื่อวันก่อนก็มีคนตั้งปัญหาถามมาทางโทรศัพท์ว่า กิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงเวทนาได้หรือไม่ชงภาษาได้หรือไม่ก็บอกว่ามันได้ทั้งนั้นคือจะดับก็ดับได้จะเกิดก็เกิดได้คือปัญหาสําคัญมันอยู่ที่เราเป็นใครพิธ า, ามัาเกิดได้หรือไม่ได้มันมันพูดไม่ได้ถ้าเรายังมีกิเลสอยู่มันก็เกิดได้ แต่ถ้าเรามีกิเลสแต่เรามีสติกั้นไว้เราเป็นสามัญชนธรรมดานี่แหละแต่มีสติระลึกรู้เท่าทันอารมณ์ที่ทผ่านมาในขณะนั้นก็มีอารมณ์เป็นอันมากที่น่าโกรธมันไม่โกรธที่หน่าโลภไม่โลภที่น่าริษยาไม่ริษยาแสดงว่าอะไรแสดงว่าปริมาณธรรมะมันเกิดขึ้นปิดกั้นเอาไว้กิเลสก็แสดงริกมาไม่ได้ เพราะการจะเกิดกิเลสหรือไม่เกิดกิเลสเนี่ยมันอยู่ที่ความยินดีหรือยินร้ายถ้าเรามีความยินดียินร้ายในรูปในเสียงในกลิน่นในรสในผลิภัพฑ์ในสมารมกิเลสมันก็เกิดไปตามสายของมันแล้วพร้อมที่จะแหวงไปแหวงมาด้วยความรักและความชังความยินดีความยินร้ายแต่ความโศกหรือความดีใจก็แล้วแต่แต่ทีนี้ถ้าหากว่า เรามีปัญญารู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายมันก็เกิดธรรมดานะมันก็โลกเราเป็นโลกของสัมผัสเป็นโรลิกลิศนี้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เ ร, รากระหารท่านก็อยู่ทํากลางอารมณ์ทั้งหลายเหมือนกันแต่พอดีใจท่านไม่มีเชื่อไม่มีเชื่อมันจึงมีลักษณะเหมือนกับแรงวันหยอดไข่ในหินในผ้าในกระดานอะไรนี่ ย, ยอกก็หยอดไป แต่ไม่มีเชื้อหน้าใครนั้นก็ต้องตายไปพวกอารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทานการจะวินิจฉัยว่าเกิดหรือไม่เกิดที่จริงเราดูจิตเราได้เรานั่งดูสังเกต ด, ดูจิตเราเวลาเห็นรูป ก, ดกด็ดีฟังเสียงก็ดีดงกลิ่นก็ดีริมรบก็ดีถูกต้องยินด่อนแข็งก็ดีสังเกต ด, ดูว่าบางครั้งมันก็เกิดกิเลสบางครั้งไม่เกิดอะไร คือไม่เกิดทั้งกิเลสไม่เกิดทางธรรมะมันเป็นมีลักษณะเป็นอวิชชาคือไม่รู้แต่ก็ไม่ถึงก็เป็นอวิชชาเช่นเราเดินสวนกับคนทั้งเยอะเราก็ไม่รู้ที่จริงมันน่าจะมีจักปูปิญญาณจักขุดสัมผัสคือการกระทบทางตาแต่พอดีเราไม่มีความสนใจไม่ได้สนใจว่าใครก็ไม่รู้เพราะเสียงเป็นอันมากเราไม่รู้ว่าเสียงใครเสียงอะไรเสียงว่าอย่างไง มันก็อยู่ที่มณสิการคือการใส่ใจหรือไม่ใส่ใจแต่ในนี้ไอ้ใส่ใจหรือไม่ใส่ใจมันก็อีกหละเข ก, ก็มีธรรมะเป็นหลักในการใส่ใจหรือบีกิเลสเป็นหลักในการใส่ใจประตูอารมณ์ที่มากระทบนั้นไม่ค่อยจะมีความสําคัญอะไรต่ออะไรสําคัญอยู่ที่ใจเราซึ่งกําหนดมันกําหนดอารมณ์เหล่านั้นในฐานะอะไร อารมณ์อย่างเดียวกันคุณภาพจิตของคนแตกต่างกันสัมผัสอารมณ์เหล่านั้นในขณะเดียวกันความรู้สึกต่ออารมณ์นั้นไม่เหมือนกันซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาแม้แต่เรานั่ง็คฟังธรรมะอยู่ด้วยกันการรับรู้ธรรมะการตัดสินธรรมะหรือความเข้าใจธรรมะมันก็มีความแตกต่างกันไปเรื่อย ตามพื้นฐานที่เรามีอยู่จริงๆบางครั้งเราอาจจะมีความรอบรู้มีความเข้าใจธรรมะอยู่มากแต่ว่าเพราะนั้นพอดีอารมณ์มันขุดมัวเศร้าหมองหงุดหงิดอะไรมาก็ตามฟังไม่ค่อยเข้าใจความไม่ค่อยเข้าใจแสดงว่าอะไรแสดงมนศสิการมันไม่มีโยนิโส ม, มนตสิการ หรือมรรณาิการไม่ติดต่อไม่ได้ใส่ใจโดยบาดแผบกายมองเชื่อมต่ออาศัยความจําในอดีตเข้ามาผสมสรกระสารกับสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันบางครั้งแม้มันเรื่องค่อนข้างยากแต่วันนั้นใจิตใจมีความพร้อมมีคนใส่ใจสูงมีพรรณาิการมีโยนิโสบรรณาธิการเกี่การใส่ใจการตั้งใจพิจารณาโดยบาดแผบกาย เมื่กลายเป็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกตรงขึ้นมาได้เพราะเรื่องของปริมาณสัญญาความจําในเรื่องต่างๆนั้นไปนสังเกตว่าโดยสภาพแล้วเนี่ยของเขาเป็นของไม่เที่ยงตัวเขาเองนะโดยตัวเขาเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาต้นสัญญาที่เกิดขึ้นจึงไม่ค่อยตั้งอยู่ได้นาน บางทีทรงอุปมาเราเห็นง่ายๆดูง่ายๆคล้ายๆพยับแดดเหมือนพยับแดดพอแดดร้อนจะจัดมากเรามองไปเป็นพยับแดดแต่มีรูปมีรังคล้ายๆจะรูปคนรูปสัตว์รูปป่าไม้รูปภูเขาอะไรแต่ไหเอาก็จริงมันไม่มีอะไรจะด้วยชัดเจนยิ่งกันไปกว่านั้นเช่นการฟังธรรมะที่พระเจ้าทรงสแสดงประเภทของคนฟังธรรมะเอาไว้สามประเภท จริงก็แสดงหลายหลายเรื่องนะเฉพาะในยะนี้ก็จําแนกไว้เป็นสามประเภทบอกว่าคนบางคนนั้นฟังธรรมะเหมือนกับของวางอยู่ข้างหน้าเอาของวางไว้เยอะข้างหน้าเนี่ยแต่บอลุกขึ้นของก็อยู่ตรงนั้นเองตงัวเองก็ไปของก็อยู่ที่นักลับไปถึงบ้านก็ถามมาพระเเรื่องอะไรเออนั่นตีเรื่องอะไรลืมไปแล้ว เพราะว่าที่จริงก็เอาวางไว้ข้างหน้านั้นแสดงว่าสัญญามันก็มีแต่ว่าลักษณะของมนาษิการหรือความใส่ใจความสนใจในขณะนั้นก็ต่าเมื่อต่าก็ไม่สามารถจะเก็บไว้ได้มากมันกลายเป็นของที่วางอยู่ข้างหน้าบางทีทรงอุปมาว่าเหมือนกับของวางในตัก เขานั่งพัะเพี้ยบไปนั่งกัดสมาครก็ตามที่เราของวางอยู่เป็นตักมันก็วางไว้เยอะได้วางไม่ได้แต่พอลุกขึ้นแล้วของมันหล่นหมดการศึกษาการความเทศความธรรมหรือการอะไรก็ตามแหละคือคื อ, ค, อ, ค, อคือที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสอ่ะจะดูด้วยตาได้ยินด้วยหูก็ตามแต่ส่วนมากเราพูดตาหูเป็นหลักตัวสิ่งที่ผ่านมาทางจมูกหรือว่าผ่านมาทางลิ้นมันก็ จะเอาไปอุปมาอย่างนั้นมันก็ไม่ได้กระสวนมากก็จะพูดเฉพาะที่ผ่านมาทางตาทางหูสิ่งเหล่านี้ที่ผ่านมาในลักษณะที่ความใส่ใจไม่ต่อเนื่องเรียวความใส่ใจด้วยบาบแยบขายไม่ต่อเนื่องขาดขา ด, ขาดบิ้นบิน้นมันก็มีลักษณะมือกับของวางบดดับแต่ลุกขึ้นแล้วของก็หล่นหายไปเหมือนกัน ทีอีกประเภทเด่งนั้นเหมือนของอยู่ชายพกอุปมาโบราณนะี่ะนะฮะอุปมาสมัยปัจจุบันก็คงจะใช้กระเป๋าก็ได้อุปมาสมัยโน้นท่านบอกว่าเหมือนกับของใส่ไว้ที่ชายพกมันติดอยู่ในนั้นแกลุกลุกขึ้นไปสิ่งเหล่านี้ก็ไปด้วยแต่ว่าจะอยู่ข้างหน้าตักหรืออยู่อยู่ข้างหน้าหรืออยู่บนตักหรืออยู่ที่ชายพกก็ตาม โดยสภ า, าะวะเขาแล้วก็ตกอยู่ในกฎของรรวัฏฏิละเราก็ทรงสอนให้มองเรื่องความดับว่าอะไรคือสัญญาอะไรเกิดสัญญานี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็ความดับของสัญญาความดับของสัญญานั้นคือดับเร็วดับช้าแล้วดับไปหมดเลยบางทีที่เรียกว่าสัญญาดับ บางทีพูดพูดกำลังพูดอะไรนึกที่เราเรียกว่าอยู่ปลายลิ้นสัญญามันดับไม่ยอมเกิดแนั่งงงเลยนึกไม่ออก่จะพูดเรื่องอะไรทันทีมีแสดงของสัญญามันดับทั้งๆที่จริงๆแล้วมันมีจริงๆแล้วมันมีแต่พอจะนึกขึ้นมามันเกิดนึกไม่ได้สัญญาก็ดับไปในขนาดนั้น จถึงก็บางทีเราเห็นคนอ้าปากค้างก็มีหรือตอนเองอาจจะเคยเจอเรื่องแบบนี้ขึ้นมานึกจะพูดมันก็รู้ๆอยู่แล้วแต่พออ้าปากจะพูดประกฏพูดไม่ได้ลักษณะการดับของสัญญาทีนี้อาการจะดับเนี่ยอลองสังเกตว่าไม่ใช่เราคิดที่จะปล่อยไปตามยถากรรม เพราะจริงๆสัญญามันมีอยู่3าประเภทประเภทที่เป็นกุศลประเภทที่เป็นอกุศลประเภทที่เป็นกลางๆโดยสภาวะทั้งสประเภทเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาขั้นวิธีการสําคัญว่าเราจะให้อะไรเันดับจะให้อะไรคงอยู่ พระพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยมันดับไปเลยในเรื่องอกุศลเราจะเห็นว่าปล่อยมันดับไปเลยใครทำอะไรให้ไม่พอใจก็ปล่อยให้ดับไปเลยหรือบางทีก็ทำอะไรแรงไปหน่อยก็อาจจะใช้ขันติไปก่อนขันติแล้วก็อดกลั้นอดทนเอาไว้แต่บางทีถ้าอดกลั้นอดทนไว้เฉย มันเน้นจะทรงตัวไว้ไปอยู่มันอัดไวมากท่านบอกว่าก็ระบายออกมันเหมือนกับอะไรที่เราอัดเอาไว้ต้มน้ำเดือดแล้วก็ถ้าไปอุดไปหมดมันก็ระเบิดมันต้องระบายออกระบายออกให้สิ่งเหล่านั้นอยู่ในสภาพปกติมันเวลาสอนเรื่องขันติจะสอนเรื่องสสระจจะไปเลย สจุจะเป็นลักษณะของการระบายระบายออกเพื่อให้จิตมันคืนสู่ปกติอาจจะโกรธอาจจะไม่พอใจอาจจะอะไรก็ตามแหละแต่แล้วพอถึงช่วงหนึ่งก็ระบายออกไปก็อยู่ในลักษณะที่สงบสุขเงียบวันสัญญาในแนวที่เป็นพวกกุศล สัญญาที่เป็นแนวอกุศลทั้งหมดคือสอนให้ลดให้ละให้จางให้คลายให้บรรเทาให้ตั้มใจก็แล้วแต่จะทำยังไงมันเบาๆลงไปหน่อยก็แล้วกันคืออย่าไปเก็บไปถ้าไม่รับได้แล้วก็ดีถ้ารับก็อย่าถือไว้ถ้าถือก็อย่าอุ้มถ้าอุ้มก็อย่ากอดรัด ถ, ถ้ากอดอย่าตะกอดรัดเอาไว้ ก, อก็อย่าให้มันลุกโผลอย่าให้มันลุกไหม คือแก้ได้ในจุดใจดใจุดหนึ่งยล้ๆกับอะไรล่ะใกล้ๆกับน้ำหลากไฟไหม้เนี่ยความว่ามันก็คงจะไหม้นะแต่ถ้าเราดับสักบ้างทับตอนสองตอนตอนใด ต, ตอนหนึ่งภัยอันตรายก็จะบรรเทาประบางลงไปการแก้ไขการแก้ปัญหาแก่จิตใจก็มีลักษณะอย่างนั้นนี่ก็เป็นแนวที่มองไปในสายของพวกอกุศน ทีนี้พวกลกลางๆนั้นที่จริงเขาก็ไม่เทียกเป็นทุกข์และรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาแต่ให้ลองสังเกตว่าพระพุทธเจ้าสอนในรูปของการตรึกนึกการพิจารณาให้เห็นถึงสภาวะที่แท้จริงของเขาเช่นจราธตมมิจระอนาติโตที่สวดกันเป็นพวกลกลางๆทั้งนั้นความแก่ความเจ็บค ว, ความตายการฟัดฟ้ากไปเรื่องกลางๆ เป็นสภาวะธรรมมันก็เป็นก็มันอย่างนั้นเองเพราะนก็พยายามที่จะทรงจำเอาไว้นึกไว้เสมอธรรมดาแก่เป็นธรรมดาก็าเจ็บเป็นธรรมดารอดพร่าเป็นธรรมดาตายเป็นธรรมดาแต่พอถึงฝ่ายกุศล น, นี่ไม่ได้สอนให้คือคือเราก็รู้สภาพมันว่าไม่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดานะแต่เราต้องการจะใช้เขา่า ก็ส่งสอนให้พยายามศึกนึกพยายามท่องพย า, า, ย, า ย, พยามสาทยายพยายามสวดบนเอาไว้นึกถึงบ่อยๆเรียกว่าสัจชามารามันตามนมีการไม่ท่องบนเป็นบนทินบ้านเรือนมีการไม่หมั่นไปบนทินอะไรแต่ไหนในความสิ่งเหล่านี้ก็ต้องพย า, ายามใส่ใจอ่านท่องจําสอบถามสนทนาปราศัยเก็บรักษาเอาไวมา้มากๆแต่ว่าโดยสภาพของเขาทั้งสาประเภทเนี่ยเขาไม่เที่ยง ก็เกิดขึ้นเขาตั้งอยู่แล้วเขาก็ดับไปมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่คงที่จํารงอยู่ได้ก็เชั่วขนาดห้เราสังเกตบางทียุ่งยุ่งกินข้าวเช้าแล้วเลยไปสองสามชั่วโมงยังนึกไม่ออกชักสงสัยกินข้าวหรือยังจะกินข้าวต่ออีกทีหรือว่าคนแก่บางทีทีแก่มากกินข้าวเสร็จยังจะกินต่ออีกอะ นีแสดงให้เห็นว่าบทบทเพราะจะดับประดับเร็วมากๆดับเอาง่ายๆแตนั้นเมื่อสภาพก็เป็นอย่างนี้เราก็ดูว่าอะไรมันอยากจะดับก็ปล่อยมันดับไปเลยเพราะมันมันดับอยู่แล้วอ่ะแต่ที่มีปัญหาให้ลองสังเกตว่าที่มีปัญหามากที่สุดก็คือว่าที่ควรจะดับไม่ยอมดับที่ไม่ควรจะดับปล่อยให้ดับไปหมดเลย เช่นความดีงามต่างๆของคนอื่นเรามักจะจำไม่ค่อยได้จำแต่เรื่องที่ไม่ดีของเขาหรือว่าสิ่งดีงามต่างๆที่เราศึกษาเราผ่านเราประสบพบเห็นมามจำไ ม, ไม่ค่อยได้แต่เพราะอะไรที่ไม่ดีแล้วก็เกิดจำได้หรือว่าใครทำดีกับเราก็ทำไม่ดีกับเราลองสังเกตดูว่าเราจำไม่ดีมากกว่าจำดี ทำให้คนไม่มีเครื่องเือในการช่างในการพิจารณาเทียบเคียงตัวเช่นสามีปัญญาเนี่ยนึกก็ทะเลาะกันหน่อยก็ะยาร่างกันเลยหรือว่าทะเลาะวิวาสกันเลยไแต่ถ้าเขาจำไว้แล้วก็พยายามจาส่วนดีๆเอาไว้เนี่ยน้ำหนักจะมากกว่าโดยปกติน้ำหนั ก, ก่ายดีนั้นจะมากกว่าที่เป็นเรื่องสัญญาที่สอนให้มองทั้งสามตอนคือตัวสภาวะของสัญญา เหตุเกิดก่อนสัญญาและความดับกลงสัญญาแต่ให้มองในลักษณะรู้เท่าทันว่าเป็นสิ่งที่ตกอยู่ในกฎของปฏจจัยลักต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทงความสงบส่อ